หลวงตาเนี่จากวัดไปหลายวันลูกหลานตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองกลับมาวันที่ยี่สิบเจ็ดเมื่อวานนี่แต่หลวงตาก็ได้พูดในเฟสพูดที่อรู้ ก, ก็คงจะรู้พวกลูกหลานบางคนที่ไม่รู้ก็มีแต่ที่ยังไงหลวงตาจะบอกให้จุดสําคัญจุดไหน ที่สำคัญก็จะเล่าให้ลูกหลานได้ฟังวันนี้เป็นวันอังคารที่28มีนาคมพุทธศักราช2560พระในวัดของเราส9รูปลูกหลานวันนี้ลงมาชั้นส1สบอดงดชั้นเก้ามีสมณเณรหนึ่งนากหนึ่งนากเือเตรียมบวดมีนากน้อยอยู่ตัวหนึ่งและสมณเณร หลวงพ่อได้ไปหลายวันตั้งแต่วันที่22่สเราก็กลับขึ้นมาจากกรุงเทพประชุมอยู่ที่ศรีนครินหลวงพ่อเป็นประธานมูลนิธิหอพอิบาลสงหลวงปู่มั่นมาได้ยุคที่สแล้วนะคณะทายาิโยมยุที่หนึ่งที่สองผ่านไปอันนี้ก็ยุที่ สามละวันที่สามได้สองปีแล้วก็มีการประชมุมวันที่ยี่สิบสี่ตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงบ่ายสี่โมงก็ได้เวลาถอดผ้า ป, ป่าสา ม, มัคคีหาทุนให้กับสงอาพาดอีกวันที่สี่วันที่สี่มิถุนา 60เป็นวันนะเป็นวันอาทิตย์อันนี้ก็แจ้งข่าวให้คณะสัตธาญาติโยมพระเนลูกหลานทุกคนที่ได้ยินข่าวบอกต่อๆกันไปด้วยพอว่าสงอาพระสงอาพาธเมื่อพระสงได้ป่วยป่วยลงมา ก, ก็ส่งไปที่ศรีนครินแล้วก็กองทุนทนี่ก็ได้ใช้แต่ปีที่แล้วรู้สึกว่าใช้มากพอสมควรแต่ก็มีคนมีสัตธาญาติโยมทราบข่าวว่าปัจจัยลอยหลอ ก็มีคนละดมทุนเข้ามารู้สึกว่าอบอุ่นเหมือนกันนะปีที่แล้วปีนี้จากนั้นหลวงพ่อก็ได้ลงไปเดินทางลงไปมุกดาหารไปงานของคุณแม่ชีแก้วนะแล้วก็พร้อมการหลวงพ่อได้ตั้งใจจากวัดไปเพื่อจะไปกราบคารวะหลวงปู่บุญมีที่จังหวัดยโสธรที่ท่านสร้างพระเจดีย์ แล้วก็ทราบข่าวว่าหลวงปู่สวงพอไปถึงที่หน้าหลวงปู่สวงมรณะภาพวันที่ยี่สิบผ้าหลวงพ่อก็เลยได้ไปวันที่ยี่สิบหกไปกราบศพลงปู่สวงแล้วก็ถวายผ้าตราผ้าไม้ขาวแล้วจะตกปัจจัยสตุปัจจัยอีกเท่าที่มีนะขาวไปถวายไป็นสองหมื่นมาถวายงานศพของท่านหลวงปู่สวงรู้จัก สมัยหลวงพ่อเป็นเนนอยู่ด้วยกันที่ผูจอกก่สมัยนะั้นท่านยังเป็นพราน้อยพหนุ่มหามน้ํนข า, าขึ้นผูเขาหามน้ําขึ้นผูจอกก่ด้วยกันหลวงพ่อเรียกคูบาสวงเพราะสมัยนะั้นหลวงปูล่ลาก็เพียง10กว่าพรรษาเองสิบเอ็ดพันศาหลวงปู่สวงท่านกับบวชที่หลังหลวงปู่ล่าคงไม่นานเท่าไหร่ท่านเรียกหลวงปู่ล่าครูบาลาในชะ่ะ ครูบาลาเร า, เราก็เรียกลุงปู่สวงยครูบาสวงคะเป็นยังเป็นครูบาอย่างน้อยหนุ่มอยู่แต่ป่นนี้ท่านก็อายุทั้งแปดสิบกว่าไม่แปดสิบกว่าได้ยังไงใช่ไหมพอหลวงพ่อก็เจ็ดสิบสองปีกลมล่อแล้วนเนี่ยยี่สิบเจ็ดเมษานก็ใช่ลละเจ็ดสิบสองปีเต็มสิบสองหกเจ็ดสิบสองไปกราบคารว ศพท่านจากนั้นก็นไปกราบหลวงปู่บุญมีวัดศิลาพรที่ท่านสร้างเจดีไปก็ไปพบท่านกราบหลวงปู่จากนั้นก็นรวบรวมจิตุปัจจัยได้ปัจจัยจากวัดพวกเราเนิร์สทา ญ, ญาติโยมไม่ใช่ปัจจัยหลวงพ่ออย่างที่หลวงพ่อเคยทําบุญทุกครั้งนั่นแหะไม่คิดว่าเป็นปัจจัยของหลวงพ่อเป็นปัจจัยของัทายาติโยมถ้าวันหลวงพ่ออยู่องค์เดียวเขาก็คงไม่ถวายมาก อันนี้เป็นปัจจัยของพระเนี่ยเขาก็มาให้ตวายพระสงฆ์ดูแลปัจจัยสี่หลวงพ่อได้เล็บเก็บรวบรวมไว้แล้วก็เป็นก้อนขึ้นมาช่วยใช้ในวัดบ้างแล้วก็เหลือเหลือจากใช้ในวัดก็ช่วยโรงพยาบาลช่วยโรงเรียนช่วยวัดว า, าศาสนาช่วยสิ่งที่จำเป็นที่ควรจะช่วยตามความเหมาะสม แต่คราวนี้เราก็ได้รวบรวมจิตุปัจจัยแต่ครั้งก่อนเราถวายไปแสนหนึ่งในที่แรกนะเพราะท่านเริ่มนะพอต่อมาท่านเริ่มขึ้นมาเราก็ถวายห้าแสนแต่คราวนี้ปัจจัยเราใจดี JD ของท่านก็จวนแล้วล่ะประมาณแปดสิบเอร์ซนนะยังเหลือแต่หินข้างบนยังไม่มายังรอหินแล้วก็ส่วนอื่นก็เสร็จเป็นส่วนมากแล้วล่ะ ที่ท่านเล่าอ่ะท่านบอกกล่าวให้ฟังนะท่านเขาพูดมุมับมุมับมุมับแต่เราฟังดูแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงท่านหรอกแต่ว่าพระที่อยู่ใกล้ๆท่านรู้ท่านดูมองริมพี่ป่าของท่านขมุบขมับยังไงพระก็บอกมา <laughs> จะไม่รวบแปลผิดจะแปลถูกก็ไม่ทราบเหมือนกันนะท่านเถอะเพราะไม่ออกเสียงใช่ไหมแต่ส่วนเราหมดสิทธิ์หมดสิทธิ์ที่จะฟังเสียงหลวงปู่ออกถามท่านหลังจากนั้นเราก็ได้รวบรวมจิตปัจจัยอย่างที่ว่านั้นะได้ไปจากวัดของเร า, เ, าเขียนเป็นใบปรณนามอบถวายองค์ท่านและก็ศรัทธาญาติโยมพวกเสียต้อมพวก เสียกายโผกคณะที่ไปด้วยรถตู้สองคันจากมาจากกรุงเทพมางานคุณแม่ก็ร่วมสมทบไปด้วยกันตลอดถึงลูกหลานทั้งนาคำน้อยของเราเนี่ย่ะไปหลายคนไปนร่วมกันถวายจจตุ ป, ปัจจัยสองแสนหกเนะลูกหลานเนะ่อนุมโมทนานอะสร้างเจดีย์หลวงปู่จากนั้นหลวงปู่ก็ตัางก็พูดหมูม่มาปูมับเนะ่ะลงตนะปูมีน้ำใจได้ มมบับมุมบ่ ม, มบตอนนั้พระก็เลยถือเช็คมาใบหนึ่งมาถวายท่านท่านก็มองดูเสร็จแล้วท่านก็นะอมอมม่อไปหลวงพ่อหลวงพ่อก็มองบู๊เซ็กไปในตั้งแสนหนึ่งคนนะของหลวงปู่นะเหลวงปู่ถวายหลวงพ่อนะอพอหลวงพ่อได้รับแล้วก็โอ้หลวงปู่ถวายหลวงพ่อนะ่ยศรัทธาญาติโยมนี่เช็คไปในหนึ่งแสน หลวงพ่อรับแล้วอพอรับแล้วหลวลงพ่อขอมอบคืนถวายคืนถวายองค์หลวงปู่เพราะเจดีย์หลวงปู่ยังไม่แล้วเสร็จสมทบให้หลวงปู่เอาไปสร้างพระเจดีย์ให้แล้วเสร็จขอมอบถวายคืนนั้หลวงปู่พวกเราอนุโมทนาสาธุเนาอพวกเราสาธุในวันนั้น่ะอก็เป็นอนันุวาหลวงพ่อได้ถวายหลวงปู่ไปสามแสนใช่ไหมว่า ถ้าหลวงพ่อเอามาแล้วก็คงนกปู่ก็คงได้สองแสนเนี่ยนี่หลวงหลวงพ่อได้แสนหนึ่งกับถวายคืนเนี่ยหลวงพ่อถวายสามแสนถวายสามแสนกับหกหมื่นบาทนะ่ะเองแหละไปเมื่อวันที่ยี่บหกนะและก็พร้อมการงานของคุณแม่ก็รู้สึกว่าพี่น้องประชาชนสัาาตธารยาโจมโอโ้โหมากกว่าทุกปี หลวงพ่อบินทบาทไม่สุดสายเลยมันจะเป็นลมมันเหนื่อยอไปเด็กข่อนขนทางแล้โอ้ไม่ไหวแล้วต้อมไม่ไหะหลวงพ่อขอกลับไปก่อนเถอะบ่ก็เลยบอกท่านเจ้าคุณจังหวัดนครพนมเออท่านเจ้าคุณเดินให้สุดสายนะรับไปทุกคนนะเจ้าคุณเนอะอ่ผมมันแก่แล้วมันไปรับไม่ไหวละเออโปรดญาติโยมไม่ไหวละ ถ้าเขนถ้าคืนเดินไปเดี๋ยวญาติโยมจะได้หามกลับคืนมาญาติโ ย, ยมปวดตัวเองทีนี้เพรานะวเพราะนั้นะท่านจะคุณไปต่อเนาะครับหลวงพ่อก็เลยกลับมาแปลว่าเกือบไปได้สองส่วนแล้วยังเหลืออยู่ส่วนหนึ่งศรัทธาญาติโยมโยมากมากกว่าทุกปีเมื่อคืนตอนหัวค่ำก็มีท่านผู้ราชการจังหวัดมุกดาหารแล้วก็คุณนาย แล้วก็อดีตผู้วาราชการจังหวัดท่านอะไรบุญมีอะไรทำมาจากจังหวัดตราดนะเคยมาเป็นผู้ว่าท่านก็ยังติดใจเป็นลูกศิษย์หลวงปู่จามลูกศิษย์หลวงคุณแม่นะมาทุกปีหลายปีแล้วที่ท่านกเกษียณอายุไปแล้วท่านยังใส่ใจนะว่าเป็น อ, อผู้หนักแน่นท่านท่านหนึ่งจากนั้นก็นท่านนายอำเภอ อำเภอคำเชีอีแล้วก็ผู้กากับน่นนะหัวหน้าส่วนราชการหลวงพ่อไม่สามารถที่จะพูดได้แปลว่าให้ความสำคัญทีเดียวงานของคุณแม่นะ่ะเพราะว่าหลวงพ่อก็บอกเลยบอกว่านะคุณแม่เป็นผู้หญิงนะถ้าจะว่าไปหลวงตามหาบัวท่านก็รับรองรับประกันว่า เป็นชาติสุดท้ายของท่านแล้วใครจะเชื่อหรือไม่เชื่ อ, อยังไงอั น, นั้นสุดแท้แต่นานาจิตต่างนานาทัศนะเราไมไ่บังคับให้ใครเชื่อหรือไม่เชื่อนะแต่ว่าหลวงตาได้บอกอย่างนั้นวันนั้นพวกเราท่านทั้งหลายมาถึงแล้วก็มาขอพรจากคุณแม่เด้ร์ท่านอะไรสวจิตก็มาเหมือนกันนะสวจิตมาตอนเช้ามาไม่เคยขาดสวจิตอ แล้วก็นี่แหละมาตอนเช้าคนก็เยอะเมื่อวานตอนเย็นก็เยอะแต่หลวงพ่อเป็นองค์แสดงธรรมหลวงพ่อก็บอกคงจะจัดทาญาตโยมลูกหลานคงจะไม่เบื่อมั้งพรานานทีปีหนึ่งก็มีครั้งหนึ่งเหมือนเราทานอาหารปีหนึ่งถึงจะอ า, อาหารอริดอร่อยหรือไม่อริดอร่อยเราปีกินเพียงครั้งเดียวตัวปีหนึ่งจะไปเบื่อได้ยังไงใช่ไหมบางทีอาจจะคิดถึงมันอยู่ก็ได้ถ้ากินน้ําพริกเนี่ย น้ำพริกกับผักลวกใช่ไหอแต่ขาดมาปีหนึ่งใช่ไหเอออาจจะอยากจะกินอีกเอปีนี้จะอร่อยเหมือนกับปีนั้นหรือเปล่าหรือเหมือ น, นเผ็ดอย่างปีเผ็ดอย่างปีนั้นหรือเปล่านะออันนี้หลวงพ่อก็คงจะไม่เบื่อมั้งคณาาาาะสัตยาญาโยมเบื่อม่เบือเบ่อก็ฟังไปซะนะหลวงพ่อก็เลยจะแดงทำประมาณห้าสิบกวนาทีโห้ยาวพอสมควรเท่ที่แรกเราจะพูดน้อยเดียว พอพูดไปแล้วเห็นพี่น้องประชาชนศรัทธายแยตโยมอยู่ในความสงบเน่งก็เลยเออมาเลยลูกติดพันมาพูดเลยพูดต่อๆไปออแล้วก็จบแต่พี่น้องชาวบ้านก็โอ้อบอุ่นแต่แปลกใจแต่ว่านี่แหละออสมผานบ้านห้วยทรายวัดป่าวิเวกนะไม่เห็นหมาหลายปีแล้วออบอกวกติดนิมนต์ไปข้างนอกหลวงพ่อเ อ, อ๊ะ สมพานนเป็นยังไงวะเนี่ทั้งทีบ้านโจกตัวเองแท้ๆคุณแม่แท้ๆคนอื่นมาทุกหัวละแห่งสมพานมาให้ความสําคัญสมพานเล่นการเมืองระเปล่านาเนี่ยวะออยากจะให้ชาวบ้านไปถามถามดูเหมือนกันนี่นแหละอทำไมสมพานจึง <c oughs> เป็นอย่างนั้นวะอานงานบ้านตัวเองแท้ๆคุณแม่แก้วเป็นใครอเราเป็นลูกใน บ้านว่านในสวนควรจะให้ความใส่ใจมิจึงจะโถกนะถึงจะพอใจไม่พอใจขนาดไหนก็ควรจะค่มใจได้แต่นักภาวนาถ้าคิดว่าตัวเองจะตายไม่เป็นเออนั่นแหละเป็นอย่างนั้นนะถ้าตัวเองคิดว่าตัวเองจะตายเป็นอยู่น่ะต้องคิดอันไหนเป็นอันไหนอันไหนควรไม่ควรอันไหนถูกต้องไม่ถูกต้องอันไหนเหมาะสมไม่เหมาะสมนะถ้านักภาวนาแล้วต้องเป็นอย่างนั้นนะต้องรู้จักปล่อยรู้จักวาง ทางว่าไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางแล้วก็น่าคิดนะไปทะนงตัวถึงไหนอะเอเรามองดูเราไม่ได้มองตื้นๆ น, นะมองถึงเบื้องลึกของหัวใจเลยละ่ะ เ, เราไม่ได้มองใกล้ๆนะเอถ้าเรามองคนนะอันนี้ก็อยากจะถามถามดูเหมือนกันนั่นแหละอันนี้ก็หลวงพ่อเองก็ไม่อยากจะพูดหรอกแต่มันมันรู้สึกว่ามันผิดปกตินะ ก็เลยเล่าๆล่าให้ฟังไปหลวงพ่อพระสงฆ์ไปทั้งหลายร้อยองค์วัานั่นเรื่องการไปของหลวงพ่อในคราวนี้ครั้งนี้ไปหลายวันแต่ทิ้งยังไงก็าตามขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆกท่านการสร้างคุณงามความดีก็อย่างที่พวกเรา ไ, รไปสร้างไปทาบุญโยมเท่าแก่ฉลาดลานมัน สามเหลี่ยมนอะเนาะไปตั้งโรงทานตั้งแต่วันยี่สิบพาหมดไปหลายม่อขายดีมากพวกทางบ้านสวนก็เหมือนกันไปทำบุญทำทานนะครับคุณแม่เมื่อทำไปแล้วไม่เสียหายแล้วลูกหลานเป็นบุญเป็นกุศลสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายนั่นแหละแล้วก็ขอบอกขอบใจทางบริษัทเบบที่ไปกางเต็นท์ไว้ให้ วันวันแรกนะแ่วันที่ยี่สิบห้าหลวงพ่อไปออกจากขนแก่นไปเดินทางไปถึงอำเภ อ, อยางตลาดเชียงยืนฝนตกโอโ้โหที่ว่าเขาว่าน้ำท่วมเมืองขอลาดน้ำไหลไม่ทันมีส่วนมากๆอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเราปานปนั่งรถไปรถวิ่งไม่ได้เลยนะมันแรง จนจะหาที่จอดเล น, นะถ้ามันลมเลยต้องหาที่จอดแน่อันนี้มันไม่ลมตกจักชักจั ก, ก เ, เม็ดใหญ่อีกต่างหากเป็นว่ารถหลวงพ่อนล้างสะอาดมากๆเลยแหละเพราะงั้ น, ม, นมันล้างรถไทยไปถึงนิคมคำสวอยประมาณเกือบสองทุ่มทุ่มกว่าออพอไปถึง เสร็จแล้วพระกล้ายงานวะพวกพระที่ไปด้วยหลวงพ่อส่งพระไปทั้งหมดสิบองค์เนี่ยสิบสามองค์หลวงพ่อส่งพระจากวัดไปสิบสามรูปนะหลวงพ่อมาจากทางโน้นอีกสามรูปเป็นสิบหกรูปเอ่อทีนี้ก็พอไปถึงพระกล้ายงานวะหลวงพ่อครับพระหายไปสององค์อ้าวทำไมวะเพราะฝนตก เสร็จแล้วฝนตกเสร็จแล้วก่อนพระอยากจะขึ้นไปดูสายน้ําที่ภูเขาอพอขึ้นไปแล้วมันบ่ายสี่โมง ก, กว่าแล้วนะพอกลับมาพอคำข้าม ข, ขึ้นมาไปดูอีกเอ้พวกพระเนี่ก็เลยไม่เห็นลงมาคึกมืดค่าแล้วเลยไปตัวดูไฟฉายมักนก็ไม่ไดเอาไปไม่ไดเอาอะไรไปด้วยเลยมีแต่ตัวเปล่าออไปฮะทําไมพระเนี่ยมาหาสร้างปัญหาอย่างนี้วะ เราให้มาดูงานนี่วะวะไปไงแหละตามหาแล้วยังตามหาแล้วไม่เจออ้าวตายไปอยู่ที่ไหนน้อยหนึ่เราก็ยังอุ่นใจอยู่หน่อยหนึ่งไม่มีเสือนะถ้ามีเสื อ, อคงจะคักวะคงจะคงจะสู้กับเสือเหมือนกันเถอะอันนี้แถวนั้นไม่มีเสือเสือตะกูดเสือตะกี้เสือกินหมาไม่มีมดขนาดอีเห็นก็ยังหายากมั้ อนนั้นเราก็นั่งคุยกันคอยคอยพวกขึ้นไปมีไหมมีพวกตามขึ้นไปหลายกลุ่มอยู่เงีนเออเอาเราก็ค่อยค่อยค่อยพวกสองสามถุงโอ้ยไม่ไหวแล้วเราเหนื่อยไว้วะเราจะไปหาพักก่อนนะวไอไปหาสูงน้ําก่อนพวกคุณเจ้าต้องค่อยคยดูนะพวกควยขึ้นไปกุฏิประมาณสี่ห้าทุ่มแล้วก็เรียกถามอีกว่าเป็นไงมาแล้วยังยังไม่เห็นตายฮะเนี่ว่ามันไปลี้ไปหุกหลบอยู่ที่ไหนฮะเนี่ว่ายังดีฝนไม่ตกนะ มันก็มืดตืดตื่อหลับตาก็ะมือนตามันมันเหมือนกันนี่ยน ะ, อ, ะองค์หนึ่งมันเป็นเมืองไทยองค์หนึ่งพระอินโดอยกต่างหาก <c ười> <c ười> ขึ้นไปไปด้วยกันเพระาระว่าพราะว่าพอถึงตื่นตีสี่ต้าถามอีกไม่มาอีกตายมันไปอยู่ที่ไหนวะ เออ พ, พวกกบพวกกลับลงมากลับลงมาแล้วงั้นพวกญาติโยมไปถึงตีหนึ่งวันนี้เข้าหาไม่ใช่หาธรรมดาหาจนตีหนึ่งเหมือนกันเลเออหาไม่เจอุู้นี้เช้ามากหรือเอาให้พระกลุ่มหนึ่งรอนะห้าหกองรออยู่ที่วัดไม่ต้องไปกับหลวงพ่ออะพวกอีกกลุ่มหนึ่งสิบองค์สิบองค์งคให้ไปสวดมนต์ที่มุกดาหารกับหลวงพ่อไปบ้านของลูกเขยนายวินนี่น้องชายของหลวงพ่อน่ะ ร้านขายยางของเขามุกดาหารไอ้สวดมนต์อีกหกองค์ให้อยู่วัดแล้วก็บอกใอ้เตรียมอาหารไว้นะตั้งโรงทานไว้อีกเผื่อเขาไปหาคนกลับลงมาเหนื่อยตะลีตะเหลือกไม่ได้มีอาหารกินได้ยังไงพอนึงข้าวหุงอาหารไว้ตำสมสมักสมมักหุงไว้ใครลงมาให้ได้กินหลวงพ่อคิดไป ข้ามไปถึงนู่นอีกนะมันก็เป็นอย่างที่หลวงพ่อคิดนะอ่าพวันนก็มาเตียงมหารหลวงพ่อไปสวดมนต์กลับมาได้ยินข่าวพอไปถึงที่นู้นอีกอ อ, อาจารย์ของหลวงพ่อท่านทุกคนล้วนวัดศรีมงคลเหนือที่เป็นอาจารย์สวดหลวงพ่อนะ่ะหลวงพ่อไม่มีอนุสาวรนอาจารย์นะมีแต่กรรมวาจาจารย์สวดองค์เดียวนะเ อ, อท่านก็ป่วยท่านหกล้ม รู้สึกว่าท่านไม่พูดเลยว่างนันก็ไปงั้นหลวงพ่อก็เป็นห่วงโอ้ไปหนักระมังวัดไม่พูดไม่อะไรเนะี่ยพอไปขึ้นไปเห็นท่านก็รู้สึกตัวแล้วยิ้มแย้มแจม่มใสละหมอเขาก็บอกว่าเขาจะรักษาเขาจะฉีดยายสักเข็มสองเข็มวันพุ่งนี้ก็กลับล้ครับหลวงพ่อวันที่ยี่สิบหกจะให้กลับวัดได้พอหลวงพ่อไปวันที่ยี่สิบห้าใชหลวงพ่อก็เลยกลาบลาท่าน แล้วก็กลับมาถึงวัดพระมาแล้วยังยังไม่มา ด, ดูดูน้วมนสะิบเอ็ดโมงหน้เออโอ้อีกสักพักใหญ่หนึ่งว่ามาแล้วเหมือนเห็นแล้วงลงมาจากภูเขาหลงแตลิดเปิดเปล่งไปนน่นนนมันไปภูเขาตรงคุณแม่ชีแก้วไปเอาดินเหนียวขึ้นไปปั่นพระนี่แล้วงั้นนะไปลงไปแถวล่องนั้นแล้วงั้นเถอะเออ มันก็ไม่น่าหลงเลยนี่แหละกลับมาขึ้นมาหลวงพ่อก็ไม่ได้ไปไหนที่แล้วว่าจะไปกราบหลวงปูบ่บุญมีก็เลยพักตอนเย็นมาก็ไปมางานของคุณแม่เนี่ยนะมัน <c oughs> เย็นมันที่ย็บห้านะเนี่ยหละเราเล่าให้ลูกหลานฟังหลวงพ่อก็เคยบอกเคยกล่าวหลวงพ่อก็เคยเล่าเป็นนิทานให้ฟังไม่ใช่เหรอไปกับครูบาอาจารย์ กูบาอาจารย์พาไปไหนทํำยังไงต้องดูกูบาอาจารย์ท่านพาทํำยังไงทําตามดูอท่านให้ทําอะไรทําออพอไปเสร็จแล้วต่างคนต่างไปถ้าไปกับหลวงพ่อระวังถ้าหลวงพ่อขึ้นรถไม่เห็นลูกศิษย์ให้คอยลูกศิษย์ไม่มีทางหลวลงพ่อนั่งรถไปเลยจะหารถไปกลับไปเองก็แล้วกันอมันทําไมวะ มันจะให้ครูบาอาจารย์คอยลูกศิษย์เหรอมันมีที่ไหนวะเออเราเคยศึกษากับครูบาอาจารย์หลวงปู่ล่าหลวงตาป harma บัวมาแล้วเนี่ยเราต้องคอยพอได้เวลาพบเออได้เวลากระโดดไปคอยท่านนะเออพอเราท่านเห็นท่านขึ้นมากระโดดขึ้นรถก่อนนะเออไม่ใช่ว่าท่านขึ้นรถโพแลนะตัวเองอยังรูปรามรูปราบเลยเออให้ท่านได้คอยอีก อ, อที่บางทีท่านขึ้นไปนั่งแล้วจะไป บางทีจนท่านจะได้ลุกให้ลุกศิทธิ์เข้าไปอีกวันลุกสิต์อะไรสิทธ์ทุกวันเนีสิท์โง่เง่าเต่าตุนศิดไม่คิดไม่อ่านนี่แหละอันในการไปก็กูบาอาจารย์ต้องดูตาดูหูฟังใจสำเนียกใช้ความคิดสติปัญญารอบคอบหูไวตาไวนั่นแหละผู้ติดตามพระผู้ใหญ่ ครบายจานต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้เหมือนกันนะให้ไปดูงานไปดูนะไปดูงานบางทีให้เด็กช้ยจัดสิ่งของถวายพระกรูบายจานเรื่องการนุ่งการานา้ําหรือกระทงกระโทนปูอาชนะส่งพระไปไปช่วยๆกันดูพราะงานนี้ถือว่าเป็นงานคุณแม่เป็นเหมือนเหมือนถือเสมือนเป็นงานเราเราก็รู้อยู่แล้วงานคุณแม่เอาถือความสําคัญคุณแม่ แต่ไหนแต่ไรมาให้พวกเราไปก็ต้องใส่ใจให้ตามที่คำสั่งแล้ก ว, ว่าหลวงพ่อเห็นว่าเป็นตัวแทนของหลวงพ่อเข้าไปก็คือเป็นหูเป็นตาเป็นแข้งเป็นขาเป็นมือเป็นไม้แทนหลวงพ่อมันจึงจะถูกไปแต่ทะเลทรายนั่นสร้างปัญหาอีกมันถูกไหมนะั่นแหละไปที่ไหนต้องดูหลวงพ่อยังดูนะ ยังพูดหลวงพ่อยังพูดใช่ไหมลูกชายไปกรุงเทพไปเรียนหนังสือไปอยู่กับเขาเรียนหนังสือเก่งพอเก่งน่ะไปสอบติดโอ้โหได้เป็นนายใหญ่อยู่ในกรุงเทพเมนมีชื่อเสียงาทาง้งในผูพ่อเข อ, อยู่บ้านนอกก็ซ้ออยู่ไปได้ยินแต่ข่าวลูกส่งสิงส่งของมาให้้ฮวันหนึ่งก็คิดอยากจะไปเยี่ยมลูกชายใช่ไหมละ่ะ เพราะอยากจะไปเยี่ยมลูกชายก็เลยบอกข่าวไปบอกว่าพ่อจะไปเยี่ยมเนอะลูกชายเออมามาได้พ่อพอพ่อไปนี่กับ้านนอกไปเยี่ยมลูกใช่ไหมละ่ะไทยได้ทั้งหน่อไม้ทั้งเห็ดกระด้างทั้งพริกทั้งเขือทั้งข้าวเดี๋ยวอไปด้วยอน้ํำพึ้ง อของป่านะไปด้วยใช้ลุงตุงนังเต็มที่แล้วเพื่อไปเยี่ยมลูกชายพอไปถึงลูกชายลูกชายตาตาตาตาเตะเอามาทำไมพ่อเนี่ยจะหาข้าวหาหม้อที่ไหนมาหุงมาหุงมาต้มมาแกงเออแต่อยู่ที่พักมันก็ที่แคบๆพอแรงเลยหน่อไม้จะไปต้มที่ไหนอีกจะเนี้อาหารในเมืองเขาก็ไม่อดไม่อยากจะซื้อกินอะไรก็ได้แต่พ่อไม่รู้พ่อรักลูกชายใช่ไหมล่ะ เหมือนกับบ้านนอกไปเยี่ยมลูกใช่ไหมผู้ลูกชายโอ้ยอายคนพ่อแรงเหมือนกันเห็นพ่อพ่อลุงพลังมามากรืลูกชายก็เลยเย่องแย่งไปหาเสื้อที่มันเหมาะสมมัางมันใส่สดเข้าไปใส่รองเท้าหนังเข้าไปเพื่อให้พ่อเป็นในเป็นคนในเมืองเหมือนกันแหอใส่ให้เหมือนคนในเมืองอของน้าก็เก็บไว้ก่อนเอเพื่อไม่ให้พ่อเสียใจอ ตอนเช้ามาเลยป่พ่อไปหากินกินกินกาแฟก่อนที่จะไปก็ บ, บอกพ่อพ่อพ่อพ่อถ้าผมทำยังไงให้ทำตามนะจะไปทำแบบนั้นนะอายเขานะเดี๋ยวขอจะว่าพ่อบ้านนอกเรียก ว, ว่าจะบอกพ่อนอยู่บ้านนอกผ ม, ผมทำยังไงให้ทำตามผมนะพ่อนะทางผู้พ่ อ, อ, อกลัวกลัวขายหน้าลูกชายใช่ไหมล่ะ พ่อเนยเจอก็บรับรับคำแล้วกับลูกชายกับพาไปกินก๋วยเตี๋ยวให้ไปกินไอ้กาแฟพอกินกาแฟกับปลาตังโง่ก็โขนละแก้วกันพอด่างคอพอตื่นเชาา้ามันต้องกินปาตังโก่กับกาแฟใช่ไหมพอกินเสร็จแล้วก็ลูกชายกับไปซื้ออ้อยควานมาบัเนี้ยที่เขาเป็นพวงอ้อยมาใส่ถุงนะกระจกให้พ่อถุงหนึ่งตัวเองกินถุงหนึ่ง เกี้ยวอะนูไปเพื่อเกี้ยวล้างปากเพื่อไม่ให้มันมีกลิ่นคาว น, นมกับปลาทังโกไงเสรแล้วให้พ่อถุงนึงตัวเองถุงหนึ่งพอเธอได้ลูกชายมันมันอยู่ในเมืองเด้มันจะขายขี้อ้อยใายถนนได้ยังไงใช่ไหมล่ะปุบ ป, ปับมาแต่ลูกชายกับพอเกี้ยวเกี้ยวเกี้ยวเสร็จแล้วมันก็มีผ้าเช็ดหน้าในมือกำปั๊บแล้วตอืดเบื่อเกี้วเกี้ยวเกี้ยวกำปั๊บ ไอผู้พ่อพ่อบันนอกพ่อเซ่อๆใช่ไหมมันมองไม่เห็นไอคนเซ่อใช่ไหมเอ๊ะผักนี่มันมันมันกินขี้อ้อยหรือนี่ตัวเองก็เคี้ยวเี้วโอ้ยก่อดจะเกินได้แต่กอดเหมือนกันเถอะเกินขี้อ้อยเหมือนกันเถอแต่ไอนั้นพอมันเคี้ยวเคี้ยวมันก็เคี้ยวมันก็คลายเถอะกลับปั๊บปรดออกไปมันใจผ้าเจ็ดหน้ามันไอเจ้าพ่อเนี่ก็เกินเกินตัวไหนก็เกินขี้อ้อยจนพอแรงเหมือนกันเะ โอยมันฝืดคอโหแรงเหมือนนไปกินแลยก็กลัวเขาจะว่าบันนอกเหมือนกันแตคืินกินกินเพื่อจะให้เป็นคนในเมืองเหมือนกนแตลูกชายกินก็กินตามเหมือนพอเดินไปป่ะเนี่ยก็พาไปกินก๋วยเตี๋ยวป่ะเนีพอไปนั่งก๋วยเตี๋ยวก่อนที่จะไปกินก๋วยเตียเ๋ยวน่ะลูกชายมันเป็นหนุมเลยคึกขนองะอไปเห็นกระป๋องกระป๋องนมกระป๋องปลาเน่ะมันอยู่ในถนนออ พันธุ์ถ้ากระโดดกระโดดแบบนักนักกีฬา ก, กระโดดเตะปังมัอทางผู้พ่อนี่ก็กลัวจะไม่ทันจะไหแล้วะพอลูกทํายังไงให้ทําตามเด้ให้ผู้พ่อนี่ก็ป๊กปั๊กระโดดเตะต่ออีกไปเือกระโดดเตะอกระป๋องนั่นแหละกระโดดกระโดดมืันก็เตะเหมือนเมื่อกคนหนุ่มเตะเหมือนกันเหมือนลูกชายเตะนะ่ยเตะต่ออีกเหมือนกันทางลูกชายนี่ยเนื้อขำ ผูพ่อไม่น่าจะทําอย่างนี้แล้วบ้านนอกหรือะก็นึกขำอยู่ในใจแต่ขำไม่ออกว่าไงต่ะนึกขำอยู่ในใจอยู่แต่ได้ก็พาไปกินก๋วยเตี๋ยวบ้านเนี่พอไปกินก๋วยเตี๋ยวก็คนสั่งมาคนแล้วถ้วยใหญ่ใหญ่หมผมมาให้พ่อถ้วยหนึ่งตัวเองถ้วยนึงแต่ตอนนี้ก็มาพอกินไปกินมาไอ้ลูกชายเหมือนนึกขำที่พ่อไปเตะกระป๋องกันไปอมันไม่น่าเลยพ่อตัวเองก็อยู่ด้วยกันก็รู้จักอยู่พ่อเป็นคนบ้านนอกไม่น่าจะไปเตะกระป๋องอย่างนั้น พอไปทํำยังไงทําทําแบบเหมือนกับเด็กเหมือนกันเถอะก็นึกเขามื่อพอกินกินเข้าไปเคี้ยวก๋วกยเตี๋ยวยังไม่ยังไม่ขาดใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวเลยคาดลาดออกจากหลังเหมือนหัวลอกหัวเลาะ อ, อย่างแรงเหมือนกันหัวเลาะอย่างแรงก๋วยเตี๋ยวคาดลาดออกจากหลังเส้นยาวเหยียดเลยวันนี้เหมือนก็ขี้โมกเลยเหมือนกันทางพ่อ ทางพ่อก็เห็นเห็นลูกชายเอาก๋วยเตี๋ยวออกทางจมูกใช่ไหมผู้พ่อก็เลยอุทานขึ้นมาโอ้ยอลูกพากินขี้อ้อยพ่อก็กินได้่พ่อลูกชายเตะกระป๋องพ่อก็เตะได้แต่จะให้พ่อเอาเส้นก๋วยเตี๋ยวออกทางทางจมูกพ่อทำไม่ได้แล้วลูกเอ้ย <laughs> <laughs> พ่อพ่อยอมแพ้เหมือนกัน เอาก๋วยเตี๋ยว อ, อกทางเจียวหมูกนนะพ่อยอมแพ้นะลูกเอ้ยพูดว่าเอนี่ยนะอันนี้พวกเราต้องฟังดูนะเอตาไม่จริงลูกชายทําอะไรให้ทําตามนะพ่อหนะาก็ได้ทําตามหมดทุกอย่างแต่ยอมแพ้คือเอาเส้นก๋วยเตี๋ยวออกทางเจียวหมูกทําไม่ได้พ่อยอมแพ้พวกเราเราฟังฟังนะ เนี่ยไปกับครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันท่านทําอะไรที่เป็นเหตุเป็นผลแล้วก็ต้องฟังท่านสั่งอะไรที่เป็นเหตุเป็นผลเราก็ต้องปฏิบัติตามมิใช่ว่าท่านทําอะไรทําให้ทําหมดทุกอย่างเอ่อท่านทาอะไรเหมือนกับพ่อกับลูกเลยเหมือนกับลูกชายทําอะไรจะพ่อทําหมดทุกอย่างไม่ได้ล่ะอยอมแพ้ประยอมแพ้โอเส้นก๋วยเตี๋ยวอกทางจมูกฮนี่แหละสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเราเนี่ยนะเป็นแนวความคิดนะ คณะทายาิโยมพายีนลูกหลานทุกองค์วันนี้หลวงพ่อได้หนีจากวัดไปหลายวันพวกลูกพวกเราคงจะเบาหูเบาตาเบาใจไปหลายวันมากลับมาวันนี้ตรงพ่อมาเพิ่มความหนักเขาไปอีกเอาล้วพอนะทีนี้น